ต่อไปนะครับถึงสังสัคขนะครับในบทว่าอสังสักคะกถาสังสักขะเนี่ยนะครับการคลุกคลีกันมี5อย่างนะกายอาจจะวิเวกแต่มาดูคลุกคลีหรือเปล่านะครับมาดูคลุกคลี5้าอย่างนะครับ 1. งสวนาสังสัะคลุกคลีด้วยการฟังเหมือนกันเถอะสทัศนสังสัคขะนะครับคลุกคลีด้วยเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นสังสัขเนี่ยกาคลุกคลีหรือเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะครับสมสมุลปณะสังสักขะ สี่สัมโพคะสังสักะห้ากายสังสักะแค่ายกายสังสักะในสังคาทิเศษนะครับอธิบายนะครับในห้าอย่างนั้นว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าหญิงในบ้านหรือนิคมโ น, น้นมีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีสีกายงามยิ่งโอ้เดี๋ยวฟังคาพนานา หญิงงามเหมือนกันเถอะได้ยินดังนั้นแล้วก็มีจิตซ่านไปแผ่ไปไม่สามารถจะดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้จิงลาเสกขาเป็นครือขัดความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นโดยได้ฟังวิสภาคารมณ์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าสวนะสังสักะแค่ได้ฟังแค่คนอื่นมาชมนี่ก็สึกแล้วนะครับอยู่ไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวกับฟังธรรมใช่ไหมครับ อ๋อนี่ยครับฟังว่า โ, โหหญิงบ้านนั้นเนี่ยงามมากโอโ้รูปองงามน่าชมน่าเลื่อมสายในผิวนี่ท่านเอ้ย่ไงนะ น, นฟังลับขณะเนี่ยนะใ น, นฟังรับสึกเลยนะครับจะไปดูสิไปขอแต่งนะนะครับคือเป็นได้นะครับว่ามีนะครับเราวางแผนว่าบินนบอร์ดวันนี้เราจะเดินผ่านบ้านหลังนั้นเพื่อไปดูเขาไงก็อันนี้ไม่ทราบนะครับว่าเข้าอันไหนด้ือว่าจะทัศนะมั้ง แต่ลักษณะนี้ก็คือสาวนะเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้ยินเขาอ่านะได้ยินเขาเล่าเฉยๆนี่ก็สึกได้นะครับคืออยากคิดดูคิดดูนะว่ า, าพี่สุผู้บวชในาศาสนาเนี่ยบางคนเนี่ยตระกูลสูงนะครับบางคนเนี่ยฐานะร่ารวยเป็นต้นเนี่ยนะครับพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตัวเองเนี่ยสามารถาจัดหาได้อย่างที่ที่ยังต้องการแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้นะครับต่อไปว่าภิกสุหาได้ฟังเช่นนั้นไหม เธอย่อมเห็นหญิงงามเองนะครับไปบินทบาทเจอเองเลยนะหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยสีกายงดงามอย่างยิ่งเธอพอเห็นเท่านั้นมีจิตซ่านไปแผ่ไปไม่สามารถจะดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้จึงลาศิกขาเป็นคฤหัสความสนิทสนมด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นโดยได้เห็นวิสภาคารมด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าทัศนสังสักะเหมือนกับ ปบินธบาตกลับมาแล้วข้าวบูตในบาทชั้นก็ไม่ลงเลยนะครับคิดอยู่อย่างนั้นแหละครับเห็นไหมเนี่ยรัศนะสังสักคางคุกคีด้วยการเห็นอย่าง น, นั้นเลยแต่ว่าสังเกตดูแล้วก็ค่อนคางจะมีกําลังพอสมควรเนี่ยขนาดาที่ไปเห็นแล้วก็ตั้งลํารงอยู่ในผมอาจันไม่ได้ครับวูบเลยนะครับศีลเนี่ยลืมหมดเลยอย่าง น, นั้นเ่ยแต่เป็นสมัยพุทธกาลมีหลายรูปนะครับข้าวบูตในบาทนะครับป่อให้ข้าบูตในบาทชั้นไม่ลงนะครับ ฝันนั่งคิดอยู่นั่นนหะพระนันธาก็เหมือนกันนะครับพนันธะเนี่ยนะัคิดพระลูกเจ้าเรียบกลับมานะนึถึงแต่คำเหล่านั้นนะครับลักษณะนี้เรียกว่าทัศนสังสักะนะนะการนะเมื่ อ, นนอนนกี้ฟังใช่ไหมสองเห็นทีนี้สามก็เลเพราะได้เห็นความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นโดยการเจรจาปราศัยกันและการเชื่อสมุละปณ ะ, ะสังสักะนะครับ คือหมายถึงการเจรจาปราศัยนี่แหละนะครับรวมเข้าการกระซิบกระซิโทรศัพท์คุยกันไม่รู้จักสิ้นจบจากสิ้นสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็กลิ้งไปเดี๋ยเขาก็กลิ่งมาอยู่งั้นแหละครับลักษณะนี้เรียกสมุลปณะสังสักขะโอ้ยพูดกันจดหมายเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะครับติดต่อกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับลักษณะนี้แหละครับเรียกว่าสมุลปณะสังสักขะก็เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตนที่ให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามแก่มาทุกคำ ความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นด้วยการให้สิ่งที่มีค่าที่ตนเป็นต้นเนี่ยนะครับชื่อว่าสัมโพคัสังสักคะคล้ายๆกันเลกขอเข้าของเครื่องใช้กันอ่ะนะเขาถวายของมาสักชิ้นหนึ่งโอ้โหไป น, นั่งชมของนะครับสมัยนี้มันไม่เหมือ น, ม น, มนสมัยพุทธกาลไม่มีรูปถ่ายใช่ไหมไม่มีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นก็จะเอาเฉพาะนี่แหละครับเขาถวายดอกไม้มาก็นั่งดูดอกไม้ถวายอ่านะถวายผ้ามาก็ดูผ้าต่างหน้าไป แม้ก็พวกผ้าเช็ดตาก ช, า, ชาเช็ดหน้าผ้าอะไรก็มาดูแบบนั้นแหละครับอันนี้เรียกว่าสัมโพคะสังสักะนะครับให้เข้าไปมั่งเขาให้แล้วคืนมามั่งก็ดูนะครับไมนี้ก็อะไรนะพวกอะไรนะถ้าบันปีใหม่ก็เรื่ออะไรนะซ้อข้าซ้อมั่งก็ดูมั่งอะไรมั่งภาพถ่ายบ้างอะไรบั่งนะครับเรียกว่าสัมโพคะร่รมบริโภคของใช้นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างครับเดี๋ยวจารย์ตัวอย่างให้ฟัง ความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นด้วยการจับมือมาตุคามเป็นต้นชื่อว่ากายสังสกห์จับต้องจับไม้จับมือนี่นะครับอันนั้นแรงขึ้นคนะวามที่พิกษุลาความคลุกคลีด้วยครุหัตอันไม่เป็นไปตามอนุโลมและความคลุกคลีอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกับเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าพิสุคลุกคลีด้วยครุหัตอยู่มีความคลุกคลี อันไม่เป็นไปโดยอนุโลมมีเศร้าโศกด้วยกันโยมโศกก็โศกไปก็โยมนั่นแหละยินดีด้วยกันเมื่อเขามีความสุขมนะเนี่ยเขาดีสุขกโอ้ยไปร่วมดีใจเขาใหญ่เลยนะครับเาอานะอเช่นเขาจะแต่งงานลูกสาวอย่างนี้นะครับไปร่วมมุทิตาไหมครับ <laughs> อย่างนี้นะครับ <laughs> เขาจะขึ้นบ้านใหม่ก็ไปโอ้ยไปเชิญชมนะโยมนี่มีบุญมีวาสนาะนะ คนอื่นกว่าจะได้บ้านแบบนี้ใช้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะเขาซื้อรถใหม่ก็ลงทุนไปเจอให้เองเลยอะไรเองเป็นต้นลักษณะนี้นะครับมุทิตาไหมครับครับหรือว่าไปถึงความขวนขวายในกิริยากิจที่เกิดขึ้นด้วยตนเองนะครับเขามีงานอะไรเนี่ยโหรับจัดแจงให้หมดนะครับนะแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับนะถ้าสมัยนี้เขามีรับจ้างประดับตกแต่งตามงานต่างๆเนี่นะครับครับ นะดังนี้ทั้งหมดเสียได้นะครับหรือว่าเข้าไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมะทั้งปวงแต่แทนนี้ก็เข้าไม่ไม่ทำแบบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมะทั้งปวงคือความสังเวชในสงสารอันมั่นคงกว่าเข้าไปตั้งความสลดสังเวชใจนั่นนะครับความสําคัญในสิ่งที่มีสังขารว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าความสาคัญในร่างกายว่าเป็นสิ่งปฏิกูลมีฮิริและโอตปะอันมีการเกียรติอกุศลทั้งหมดเป็นตัวนา ทั้งมีสติและสัมปชัญญะในการกระทําทุกอย่างไม่มีความติดข้องในธรรมะทั้งปวงเหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นนี่ชื่อว่าอาสังสักะไม่คลุกคลีนะครับไม่คลุกคลีก็คือไม่ติดพันกับใครเลยนะครับถ้าเจอกันก็สนทนาตามธรรมตามคําสอนไปจากแล้วจากเลยนะครับไม่ไปเนนึกอะไรเลยสมัยพุทธกาลนี่ภาพแบบนี้เห็นบ่อยนะครับพอออกภาษาท่านก็เก็บไปแล้วไม่เดียไปบอกลาอะไรเลย ปกติของเขานะครับในพระดายวิดกเนี่ยนะครับเหมือนกับพระพิสูรรูปที่พระอาจารย์อ่านเมื่อกี้นะครับพระมหากราเนี่ยนะครับได้เวลาท่านก็ไปแล้วท่านนึกอยากไปก็ไปนะครับนึกได้เมื่อไหร่ก็ไปเมื่อ น, นั้นแหละไม่ได้ว่าผูกพันวัานู่นโยมของเราเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับพระสุธรรมนะครับพระองค์ก็ตําหนิใช่ไหมครับโอ้โหทุกอย่างนี่มันต้องผ่านเราก่อนนี่มนุษ์อาคระสาวกไม่ผ่านตัวเองก็เสียใจใหญ่เลยนะครับลักษณะนั้นก็ไม่ดี ชื่อว่าอาสังสาระก็เพราะว่าเป็นปฏิปัติต่อสังสาระทั้งปวงกระทาอันเกี่ยวด้วยอสังสาระชื่อว่าอาสังสาระกระาทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับถึงอันตรายของการคลุกคลทีทั้งทั้งที่ว่านี่นะครับ อ, อย่างยกตัวอย่างนี่นะครับสวน่าสังสาระแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะเพิ่งทราบว่าด้วยอํานาจพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เคยได้กลิ่นหญิงเลยนะครับถ้าได้กลิ่นหญิงก็ติดตามหญิงมาเนี่ยเหมือนกับช้างพวกช้างเป็นต้นนั่นนะ พวกช้างนี่พอได้กลิ่นช้างตัวเมียก็โอ้โหตามไปหรือว่าในในในชาด ก, กนะนะเจอบ่อยนะพุทธิกษัตร์เนี่โอ้ยได้ข่าวว่าบ้านโน้นมีหญิงงามก็ไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปแล้วนะครับลักษณะนั้นนะครับหรือว่าพระติดสะนุมผู้อยู่ในถ้มปันจักละนะครับเขาว่าพิสุ น, นมนี่เหาะไปได้ยินเสียงลูกสาวช่างทอง ชาวบ้านคิริคมในสาประทุมกับหญิงสาวห้าคนอาบน้ําประดับดอกประทุมขับด้วยเสียงอันไพเราะถูกกา玛ราคะเสียบเอาเสื่อมจากชานถึงความพินาศเนลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสวนาสังสักขะนะครับคือขับผ่านไปเนี่ยฟังเพลงนะเขาร้องเพลงอะนะโหดีได้ยินเข้านะครับโอ้โหเสียงเพราะเหลือเกินไหมคุณเนี่นยครับสมัยนี้เนี่ยนะครับระวังนะถ้าใครเหาะได้นะครับห้ามไปเหาะ ไปชมทะเลเด็ดขาดเลยนะครับไปเหาะไปชมทะเลผ่านสะไหยน้ําไปผ่านบ้าผ่านคลับผ่านเทกเนี่ยนะครับเสื่อมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอุตริเหาะง่ายๆนะครับถ้าใครได้นะยังไงยังไงก็สุ่มๆเหาะรอบๆโบสถ์ก็แล้วกันนะครับไปเหาะพายไปพัทยาอย่างเงี้ยนะครับบางแสนชะอําหัวหินเนี่ยนะครับก็ระวังให้ดีนะครับภูเก็ตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังหน่อยนะครับ หรือแม้กระทั่งบอกว่าจะไปป่าแล้วป่าก็ระวังนะครับแถวแถวน้ําตกนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับก็ต้องสํารวมระวังหน่อยทำนั่นแหละตัวดีอย่างนั้นนะครับทาทริปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่นะบางองค์เขาวิบากก็น่าดูเหมือนกันนะครับเดินไปเมื่อไหร่ก็จะเจอแต่ภาพประเภทนี้แหละครับชายหนุ่มยิ้งสาวเป็นนั่งอะไรกันเนี่ยบางองค์เขาวิบากน่าดูเหมือนกันไปเจอเรื่อยเลยนะครับ ทำเหตุรายมากับไม่รู้พอไปเจอมาแล้วก็นั่งฟุ้งฟ่านใหญ่เลยนะแต่ผมวิบากไม่ได้ทำเหตุประเภทนี้ไม่ได้เห็นเลยนะครับมันได้เห็นกับเขาสักทีเลยว่าอการเห็นเนี่ยนะครับมันแย่นะครับก็ไอ้เกี่ยวกับเรื่องเห็นเนเนี่ยนะครับพระยิ่งสมัยนี้ไปบินธบาติไม่สํารวมตานะครับภาพตามข้างฝาทั้งหลายแหล่นี่นะครับเป็นภาพลามกอนาจาร รหรือว่าแผงหนังสือทั้งหลายหรือหนังสือนี่นะครับดูไม่ระวังนะครับสังคารทีเสรเอาไปกินเครื่องหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะทัศนสังสักะลุกขีด้วยการเห็นนะครับอ่นะเกี่ยวกเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงการฟังนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฟังเนี่ยนะครั บ, บวิทยุเนี่ยตัวดีนะครับฟังข่าวขาวฟังละครฟังเพลง โดยเฉพาะเสียงเพลงเนี่ยนะครับฟังแล้วก็เถือนิมิตอนุพยัญชนะตามคำพันน า, นาด้วยโลภะของเขาเนี่ยนะครับส่งจิตตามพักเดียวนะครับเป็นแบบนั้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการฟังแล้วก็สมัยนี้ก็มีทั้งไม่ใช่ภาพอย่างเนี้ยมีทั้งสีด้วยมีทั้งเสียงด้วยนะครับเช่นทีวีทั้งหลายนี่นะครับลาบากเหมือนกันนะครับนี่ก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินแหละนะ อันนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องทัศนสังสารคนะเกี่ยวกับเรื่องการเห็นเขาว่าภิกษุนมรูปหนึ่งไปยังทูราวิหารใกล้บึงกาลทีฆะเพื่อเรียนอุเทศอาจารย์เห็นอันตรายของท่านก็ไม่ให้โอกาสดูแล้วอนาคตรูปนี้เนี่ยตายเพราะผู้หญิงเหมือนกันเเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าเรียนเลยท่านเหม น, นไม่เปิดโอกาสให้มาเรียนด้วยนะเธอก็พยายามติดตามไปอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเธอไม่ เที่ยวไปในบ้านเราก็จกสอนอุเทศก่เธอห้ามไปในบ้านนั้นเด็ดขาดเหมือนนะถ้าไม่ไปนะจะสอนเธอก็รับคำเมื่อเรียนอุเทศจบก็ไหว้าอาจารย์ไปด้วยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่ให้เราเที่ยวไปในบ้านนี้ทำไมเนาะห่มจีวรเลยเขา้านลองไปวินทบาทบ้านนั้นดูสิทำไมอาจารย์จึงห้า ม, มนเหมนนะทีนี้กุลธิดาคนหนึ่งเนี่ยนุ่งผ้าสีเหลืองยืนที่เรือนเห็นภิกษุหนุ่มก็เกิดราคะ เห็นแล้วก็รักจับจิตจับใจแบบนั้นเถอะเข้าถึงขั้วหัวใจเลยแบบนั้นเอาเอากระบวยเนี่ยนะครับนำยาคูมาใส่ลงในบาดแล้วก็กลับไปนอนบนเตียงนะครับเอาข้าต้มไปใส่บาดเสร็จก็ไม่ไหวแล้วนะครับขึ้นเตียงนอนเลยครั้งนั้นมาดาบิดาก็ถามว่าอะไรกันลูกกุลธิดานั้นก็ตอบว่าเมื่อฉันได้พิกสูหนุ่มที่ไปทางประตูจึงจักมีชีวิตอยู่ได้เมื่อไม่ได้ฉันจักตายนะครับแสบเหลือเกินนะลูกสาวเขเนี่ยนะ พอแม่เนี่ยโอ้ยจะบ้าเลยนะอั น, นมารดาบิดาก็รีบไปพบพิกษุนุมที่ประตูบ้านไหว้แล้วก็บอกว่ากลับมาเถอดท่านโปรดรับพิกษาคานิมนต์ไปฉันที่บ้านเธอว่างั้นนะ่ะนะพิษุนุมก็บอกว่าพอละโยเมืเออ่ว่างั้นจะไปละมารดาบิดาก็อ้อนวอนว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านว่างั้นเล่าความประสงค์เลยนะว่าท่านจะไม่ไปจริง ก, ก็เลยเล่าจุดไม้ให้ฟังว่าในเรือนของเราเนี่ยนะมีทรัพย์อยู่เท่านี้ เรามีลูกสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นท่านมาเป็นลูกชายคนโตของเราเถิดสามารถอยู่ได้อย่างสบายนะภิกษุหนุ่มก็ตอบว่าฉันไม่ต้องการกังวลอย่างนี้หรอกนะไม่ได้มีความประสงค์แบบนี้เลยแบบนั้นไม่ใหญ่ดีแล้วก็จากไปนะคือคือพระตอนรับบิณฑบาตไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมไม่ได้ดูหน้าว่าผู้หญิงนี่งามยังไงอะไรยังไงไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมก็พ อ, อรับอาหารแล้วก็จากไปทีนี้ ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ดูอยู่ตลอดใช่ไหมเขาก็จําพระแม่นเลพระเนี่ยจาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนั้ น, น, นมารดาบิดาก็กลับไปบอกลูกสาวว่าเขาไม่เอาเราเขาไปแล้วว่างั้นลูกก็บอกว่าลูกพ่อแม่ไม่อาจจะนําพิษสูตร น, นมกลับมาได้เลือกสามีอื่นที่เจ้าต้องการเถิดจงลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ําเถิดกุลธิดานั้นก็ไม่ปรารถนานางอดข้าวเจ็ดวันตาย นะครับกินข้าวไม่ลงเลยนะเจ็ดวันที่เจ็ดตายเลยที่จริงนะครับขอให้เป็นแต่เรื่องในอดีตนะครับปัจจุบันอย่าได้มีเลยนะมารดาบิดาก็ทำการชาปนากิจนางชาชานี่แปล ว, ว่าเผานะครับชาปนากิจก็คือเผาศพเรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้าสีเหลืองผืนนั้นแก่ภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทูระวิหารภิกษุทั้งหลายก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบ่งกันคือมันผ้าอย่างดีใช่ไหเป็นผ้าลูกเษตีใช้นะ พิสุแก่รูปหนึ่งรับส่วนของตนไปแล้วก็มาอย่างกัลยาณวิหารพิสุหนุ่มแม้นั้นก็คิดจะไปไหว้พระเจดีย์ก็ไปที่กาลยานาวิหารนั้นนั่งในที่พักกลางวันพิสุแก่หยิบชิ้นผ้านั้นมาแล้วบอกพิสุหนุ่มว่าท่านขอรับโปรดใช้ผ้าผืนนี้ของผมเป็นผ้ากรองน้ำนะนะพิกษุหนุ่มก็เรียนว่าท่านพระมหาเถระได้ผ้าแต่ไหนคอรับ พี่สุแกก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับรู้รายละเอียดอย่างดีเลยนะไปเจอเจ้าตัวเข้านะพิกสุหนุ่มนั้นฟังเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงคนนี้แหมเสียใจยกใหญ่เลยนะไม่ได้อยู่ร่วมกับหญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อเราขนาดนี้นะถูกไฟราคะเผามรณภาพในที่นั้นเองคือท่านอาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะท่านหัวใจโรคหัวใจกำเริมหัวใจวายตายตรงนั้นแหละครับครับนั่นนะ อย่างนี้เขาเรียกว่าทัศนสังสักะนะครับ น, นะส่วนไอราคาที่เกิดเพราะสนทนาปราศัยกันและกันเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับอย่างเช่นในพระไตรปิฎกเนี่ยนะขนาดพ่ออะไรนะแม่กับลูกคลุกคลีกักกนบ่อยๆก็ยังเสียหายเลยนะครับไอสมุล ป, ปะไอสมุลลาปะนะสมุลลาปะสังสคกะนี่นะครับแม่กับลูกนะคลุกคลีกันมากๆ ก, ก, ก็ยังเสียหายเลยนะครับแม่สมัยพุทธกาลด้วยซ้ําไป ส่วนสัมโพคฆ่าสังศักขะอันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะฮะใช้ของของเขาอะนะ เ, เรื่องเล่ามีอยู่ว่าครั้งฉลองมริจิวัติยวิหารนะครับฉลองวัดนะนะมีภิกษุแสนรูปภิกษุณีเก้า0มื่น 90, รูปสมัยนั้นในะศีรังการน่นนะสมัยนั้นนะบางช่วงเนี่บวชมากนะครับสมณีนนรูปหนึ่งเนี่ยนะครับรับข้าวยาคูรอนไปพักไว้ที่ชายจีวอนครั้งหนึ่งนะครับ ที่พื้นดินก็ครั้งหนึ่งนะคือคือบาทนี่มันร้อนใช่ไหมเอามือเนี่ยจับชายจีวรว่าจับบาทวางลงจับขึ้นจับลงมันร้อนน่ยนะสมมเนรีรูปหนึ่งเห็นก็เลยถวายสลบบาทนะครับกล่าวว่าวางบาทไว้ในนี้แล้วค่อยไปอ่างเงี้ย น, นะนะเทสัมเณรีนี่ก็เห็นก็สงสารเน่ยนะเห็นใจกันนะก็เลยถวายสลบบาทให้เลยทีนี้ภายหลังต่อมาเมื่อเกิดภัยขึ้นนะวันเวลาผ่านไปห้า 57ปีเนี่ยนะนับจากวันนั้นไป57ปีก็เกิดภัยขึ้นทั้งสองก็ไปยังปรัสสมุทรทวิหารคือไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับวัดอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะทั้งสองรูปนั้นเนี่ยนะภิกษุณีไปก่อนภิกษุณีนั้นได้ยินว่าภิกษุชาวสิงหนรูปหนึ่งมาก็ไปยังสำนักของพระเถระก็กระทำปฏิสันฐานแล้วก็นั่งขามว่าท่านเจ้าข้าเมื่อครั้งฉลองมริจิวัติยวิหารท่านพรรษาเท่าไหร่ กำเริงสาวๆด้วยนะเผื่ออาจจะคุ้นเคยกันอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนบ้างอ่ะนะนนนตอนนั้นเนี่ยนะคนละเจขวบใช่ไหมแต่ผ่านไปอีกห้าสิบสามปีอ่ะนะนะหลังจากนั้นห้าสิบสามปีก็ทักทายกันด้วยนะยนนครับหกสิปีพอดีครับพัทธิระก็ตอบว่าครั้งนั้นเนี่ยนะฉันเป็นสมัมมเณยอายุเจ็ขวบเติแล้วท่านเล่าพรรษาเท่าไหร่บ้างกันพิกษุนีก็ตอบว่าครั้งนั้นดิฉันก็เป็นสัมมเณรีอายุเจ็ดขวบเหมือนกัน เออดิฉันได้ถวายสลกบาทแก่สัมมณีรูปหนึ่งซึ่งรับข้าวยาคูอันร้อนไปเพื่อพักบาดนะนะพระเถระก็กว่าวัสมณี น, นั้นก็คือฉันนี่แหละก็เลยนำสลกบาทออกมาเพราะาด้วยแสงสักขะอันนี้เองนะครับคือคือที่จริงนะสั ม, มเณีรีก็ยังผูกพันนะที่ได้ถวายนะ่นนะอาจจะด้วยบุพเพสนิวาสอะไรไม่ทราบนะครับแม้ทั้งสองท่านก็ไม่อาจจะสืบต่อพรหมาจารย์ไปได้ศึกในเวลามีออยอายุ60ทั้งคู่เลยนะครับ ถ้าจริงนะเรื่องนี้นะฟังแล้วเออเป็นไปได้เลยมีนะครับ<ม>คนไทยเนี่ยนะที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองเขาเคยเป็นนักเรียนต่างประเทศด้วยกันทั้งคู่ไปเจอกันที่ต่างประเทศอนะนะก็ก็รักกันมากนะแต่ตอนหลังก็ผู้ชายก็กลับมาก็แต่งงานกับหญิงอื่นไป<ม>ผู้หญิงก็รอรอร อ, ร อ, รอเกอจนอายุหกสิบกว่าแล้ว น, นนะี่ยครับนั่นแหละทีนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วผู้ตอนหลังก็ผู้ชายเมียตายนะครับ ทั้งคู่นี่ก็มาแต่งงานกันใหม่นะครับแต่งไม่นานพุผู้ชายก็ตายอีกแล้วแต่งงานได้เดือนนึงครับแล้วเจ็ดสิบปลายแล้วนะเจ็ดสบห้านเขาให้รู้ทว่าโหมันเป็นอย่างนี้แหละครับกรรมวัดวิปากวัดกิเลกวัดเนี่ยนะครับปัญหาชาวพม่าครับอันนี้ทีนี้ส่วนราคาที่ว่าด้วยการจับมือเป็นต้นเนี่ยนะครับกายสังสั ข, ขะเนี่ยก็มีตัวอย่างนะที่สีรษงกายกันแหละ ว่าในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเขาว่าที่มหาเจติยังคะเจติยังคณะนี่นะครับพวกพิษุนมนี่ทำการสาธยายพวกพิษุนีสาวฟังทมอยู่ข้างหลังของพวกพิษุนมเหล่านั้นพิษุนมเหล่านั้นพิษุนมนมรูปหนึ่งเหยียดแขนออกไปถูกกายพิษุนีสาวรูปหนึ่งพิษุนีสาวจับมือมาท่าไว้ที่อกของตนด้วยสังสักอนั้นทั้งสองก็ศึกเป็นคึนหัดไปนะครับ สมัยนี้ก็ค่าๆกับพระกัชีทั้งหลายแหล่นี่แหละครับเป็นแบบนี้แหละครับคิดอะไรมากเนี่ย น, นะต้ให้รู้ว่าเออคําสอนก็สแสดงธรรมเพื่อให้ไม่ไม่ให้คลุกคลีในลักษณะนี้นะคลุกคลีห้าอย่างเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีจริงนะครับ อ, อย่างไรปัจจุบันก็อย่างนี้นครับเรื่องเคยมีมาแล้วพิสูจทั้งหลาย น, น, นะของเราอย่าไปให้พระ เสียยเมตไตรตัดเช่นนั้นเลยนะครับไอส่วนที่ไม่ดีนี่ไม่ดีแน่นอนะต่อไปนะครับวิริยารมภาคคาถานะครับก็คือคาถาว่าด้วยความเพียร น, นะครับว่าภาวะแห่งบุคคลผู้กล้ากล้าหรือกรรมแห่งบุคคลผู้กล้ากล้าฉะนั้นจึงชื่อว่าวิริยะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวิริยะเพราะอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงเป็นไปตามวิธีก็ความเพียร น, นั้นคือการเริ่มเพื่อละอกุศลธรรม และให้กุศลธรรมเกิดขึ chicken, ้นช <t ry> uh, ื่อว่าวิริยารมพะปรารบความเพียรวิริยารัมภะนั้นมี2อย่างนะครับคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตนะครับหรือว่าวิริยานี้จะแบ่งออกเป็น3ก็ได้นะครับคืออารำพะธาตุนิกรมธาตุแล้วก็ปรักกรมธาตุนะครับอารำพะธาตุก็คือเริ่มใช่ไหมครับธาตุที่เริ่มมัก็เป็นชื่อของความเพียรมอนกันนิกกรรมก็คือออกใช่ไหมครับปรกกรมมก็คือบากบันใช่ไหมครับ นั่นแหละหรือว่าจะแบ่งออกเป็น4ีก็ได้นะความเพียร น, นะครับแบ่งเป็นสีก็คือด้วยอำนาจสัมมาประธาน4ี่คือเพียรเนี่ยนับหนึ่งก็ได้คือภาวะที่กล้านะแบ่งเป็น2คือกายกับจิตแบ่งเป็นสามคืออารามพระนิกรมาปรักรมะแบ่งเป็นสีก็เป็นสัมมาประธาน4วิริยารามพาทั้งหมดนั้นพึงทราบด้วยอำนาจการปรารบความเพียรอย่างนี้ของภิกษุผู้ไม่ให้กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในตอนเดินถึงตอนยืน ถ้าเดินก็ต้องเดินให้มาระงับกิเลสอันนี้ก่อนจึงค่อยยืนเหมือนกันเถอะเออบางทีเนี่ยเวลาเดินไปนวนฟุง้งตานเวลาเราหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดฟุ้งอย่างนี้ก็ก็ได้ใช่ น, น, น, น่าจะถึงเป็นอุบายครับก็ถือว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เกิดในตอนยืนก็ไม่ให้ถึงตอนนั่งที่เกิดขึ้นในตอนนั่งก็ไม่ให้ถึงตอนนอนนะครับข่มไว้ด้วยพลังแห่งความเพียรไม่ให้เงยศีรษะขึ้นได้ในอิริยบนาบถนั้นๆ เหมือนคนเอาไม้มีลักษณะดังเท้าแพะเนี่ยนะครับเนี่นะกดหัวงูวเอไว้นะครับและเหมือนเอาดับที่คมกริบฟันคอศัตรูฉะนั้นคาถาอันเกี่ยวด้วยวิริยารมภานั้นชื่อว่าวิริยารัมภาคาถาคือกล่าวถึงคาถาที่เป็นไปเพื่อสงบระงับดับกิเลส ท, ทั้งหลายที่กล่าวไปเนี่ยนะครับอนะันน่ะได้ห้าคาถาแล้วนะหนึ่งอะไรครับ คาถาว่าด้วยการมักน้อยสองสันโดษสามวิเวกสี่ไม่คลุกคลีนะครับห้าปรารบความเพียร น, นะครับ ส่วนศีลลัคขาก็คือศีลลัคขาก็ศีลทั้งสองอย่างนะครับศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะได้แก่ปาริสุทธิศีนสีมีปาฏิโมกขสังวนอินทรียสังวนปัจญสันิสิตศีนอาชีวะปาริสุธิศิตศีนก็สนธนาศีนอันนี้บ่อยๆนะครับส่วนโลกุตระศีลก็ได้แก่ศีนที่เกิดร่วมกับมรรคและผลอันหนึ่งสมาบัตแ8ดพร้อมด้วยอุปจาระอันเป็นบาตแห่งวิปัสนาชื่อว่าโลกิยะสมาธิ ในที่นี้สบสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยมักชื่อว่าโลกุตรัสสมาธิสมาธิก็แบ่งเป็นสองอย่างนะครับคืออุปจาระและอัปปนาที่เป็นบาทแห่งวิปัสนาทั้งหลายนั่นเองฝ่ายปัญญาก็เหมือนกันนะครับปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังสำเร็จด้วยการคิดที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยวิปัสนาวิปัสนาญาณ น, นะครับหรือปัญญาเหมือนกันนะครับปัญญาเนี่ยแบ่งนะ ปัญญาที่สําเร็จด้วยการฟังสําเร็จด้วยการคิดปัญญาที่สัมปยุทธด้วยฌานและวิปัสนาญาณจัดเป็นโลกีะปัญญาในที่นี้แต่เมื่อว่าโดยพิเศษเพ่งยึดเอาวิปัสนาปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธด้วยมรรคและผลจัดเป็นโลกุตระปัญญาส่วนวิมุติก็ได้แก่วิมุติอันสัมปยุทธด้วยอรหั ต, ตผลและนิพพานนะครับแม้วิมุตติญาณทัศนะก็ได้แก่ปัจเจกขณะญาณ19นะครับ กรถาอันเป็นไปด้วยอำนาจการประกาศโทษและอนิสง์มีอาการเป็นอเนกแห่งคุณมีศีลเป็นต้นเหล่านี้พร้อมด้วยวิธีมีการชี้แจงเป็นต้นและด้วยอำนาจาการประกาศโทษแห่งความเป็นผู้ทูศีลเป็นต้นอันเป็นค่าสึกต่อคุณมีศีลเป็นต้นหรือกรถาอันเกี่ยวด้วยอานิสง์และโทษของศีลนั้นชื่อว่ากระถาว่าด้วยศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าศีลและกรถาสมาธิกรถา ปัญญาคถาวิมุตติกถาวิมุตติกยานัศนาคาถาเนี่ยนะถามว่าเอาอะไรมาสนทนาครับเอาวิสุทธิมรรคทั้งหมดนี่แหละครับมาคุยนี่แหละเรียกว่าศีลัคนาเป็นต้นนะครับวิสุทธิมรรคทั้งหมดเลยนะครับตั้งแีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศทั้งหมดนี่แหละครับเรียกว่าศีลัคนาสมาธิกถาปัญญาคถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนาคาถานะครับ pues เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้การยานามิตรเนี่ยนะครับมีการยานามิตรเนี่ยก็กระถาวัตถุสิทธ์เหล่านี้ก็จกได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากนะครับเดี๋ยวพักสักครู่